ขอโมตนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดถึงปฐมชนสูตรเป็นการประรบถึงคติธรรมดาของชีวิตที่ต้องมีแก่คนแก่สัตว์ทั้งหลายลักษณะของพระสูตรที่ขึ้นด้วย ตัวเลขอย่างนี้ก็แสดงว่ามีหลายหลายส่อ ม, มีปฐมะมีทุติยะมีตัติยะก็ะ ว, ว่าไปสิ่ีสุดมากก็จะแนวเดียวกันมีข้อความมันเป็นเบื้องต้นว่าคราวหนึ่งเมื่อพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตะวันมีพราหมณ์ชราสองท่านอายุมากแล้ว มนบอกว่าตั้งร้อยี่สิบปีถูกบุตรทิดาทอดทิ้งไม่ดูแลใจใสก็มาปรึกษากันว่าไปจะไปที่ใดในสุดก็ตกลงใจไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ไปแบบสนทนาคื อ, อยังไม่เป็นพุทธศาสนิกชนอะไร เพียงแต่ว่าเามื่อไปภาพพระพุทธเจ้าก็คงจะได้หลักได้กติในการดารงชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อผ่านการสนทนากันไปไปสมควรแล้วถ้าก็เล่าถึงชีวิตของท่านที่ผ่านมาคนแกอ่อายุตั้งร้อยี่สิบปีก็มีเรื่องเล่าเยอะพระเจ้าก็ส่ง ก็ตุ้นเตือนให้พรามทั้งสองได้คิดมาถึงกติคนชีวิตที่ เ, เกิดมาแล้วก็จะไหลเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงคือเข้าสู่ความแก่ชราและในสุดก็จะจบลงที่ความตายมามองเห็นภัยของชีวิตเช่นนี้แล้วคนที่ฉลาดที่ไม่ประมาท ก็จะพยายามบาเพ็ญบุญกุศลซึ่งนาความสุขมาให้ทั้งในปัจจุบันและใ น, า น, ในภายภาคหน้าโดยใช้การสำรวจระวังกายสำรวจรองวาจาสำรวจระวังใจพระบุญนั้นเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายผู้บาเพ็ญบุญแต่ในโลกนี้และในโลกอื่น อันนี้ก็เป็นใจความโดยสรุปในพระสูตรแต่เนื่องจากพราหมณ์ทั้งสองนั้นแก่มากจะให้บวชก็ไม่ไหวนะะคนแก่ขนาดนั้นก็บวชก็ไม่ไหวอยากจะชวนให้ท่านให้ทานก็ไม่ไหวอีกอะ่ะเพราะท่านเองก็เอาตัวไม่ค่อรอดอยู่ก็บุญได้จะเป็นสเสบียง ได้แล้วก็ปฏิบัติได้ก็พรามในขณะนั้นก็คือการรักษาศีลพระเจ้าก็แน่ให้รักษาศีลห้าเพื่อเป็นที่พึ่งพรามก็ตั้งใจปฏิบัติสมรวังตามหลักของศีลห้าไม่จลา่ทั้งก็ตายไปก็โดยผลของศีลที่รักษาดี ทั้งใจสำรวจวังดีก็บังเกิดในสุคติเป็นลักษณะของชีวิตที่ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเรื่องราวต่างๆที่ปรากฏในประสูตย์พอพ่อแม่แก่เท่าลงในลูกทอดทิ้งนี่เยอะปัจจุบันก็ยังมีอยู่แล้วก็คงจะมีอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยนะฮะ ที่จริงการเลี้ยงดูบันดาปิดามันเป็นธรรมะของโลกเป็นธรรมะที่เรียกว่าธรรมะคู่โลกคือมีอยู่กับโลกแต่ก็มีคนปฏิบัติได้ปฏิบัติไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาแก่เท่าลงวันซืนนี่มีกฎมาเล่าคนหลังวัดเนี่ยคุค้นกัน จะไม่พบกันนานแล้วแต่ถามข่าวเขาดูก็อายุเกือบแปดสิบจะพูดว่าลูกหลานไม่ได้ดูแลใจใสมีทรัพย์สมบัติเยอะก็แจกจ่ายไปหมดเลยลูกหลานลูกรับสม บ, บัติแล้วก็เรียบร้อยตัวเองก็เจ็บป่วยก็เป็นนามาพาตดก็มีแต่ตความทุกข์ ซึ่งว่าจริงบทเรียนแนวนี้มันมีมีมากมากจนพ่อแม่เนี่ยไม่น่าจะประมาทหรือไม่น่าจะวางใจลูกมากเกินไปนอกากกว่าคนเรามั่นใจจริงๆนะะซึ่งเมื่อกล่าวถึงประเภทลูกที่จริงก็ยากนะฮที่ท่านแสดงประเภทลูกไว้ไปสามประเภท ลูกประเภทอนุชาตบุตรอภิชาตบุตรนี่ที่จิมก็หายากอยู่เราเคยผ่านพระสูตที่เรียกว่าพรามผู้เท่าที่พระพุทธเจ้าทรงสอนในท่องคาถาดังนั้นอสุบัติแบ่งให้ลูกหมดเหมือนกันแล้วลูกรับอาสาจะเลี้ยงพ่อแม่เองพ่อแม่ไม่ต้องห่วงพ่อไม่ต้องห่วงนะแม่ตาย คุณทุธยไอ้ลูกชายไม่พูดอะไรลูกสะพายมันพูดกระทบก็คงลูกชายแนะให้พูดนะพ่อเพ่อเลยตุรดตุเรไปอาศัยคุณนั้นทีคนนี้ทีในสุดก็ก็ไม่ไหวโทษไม่ได้เอาความวเจ้ารวเจ้าก็สอในท่องคถาเป็นคล้ายๆกับคำกรนนะนะเป็นคล้ายๆคากรนเรียนนองว่าลูก ทันพรามเนี่ยก็มีลูกแล้วก็เลี้ยงลูกมาดีๆส่งเสริมสนับสนุนมาตลอดแต่ว่าพอหลังจากแบ่งทรัพย์สมบัติห้แล้วลูกก็ขับไล่แม่อยู่ด้วยเหมือนกับไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่กันเต่บอกว่าการมีลูกเช่นนี้มีไม้เท้ายัางดีกว่าเลยไม้เท้ายัาง ป้องกันสุนัขได้อย่างข้มยันแพะหน้าดได้ยังประยุงตัวได้แต่การมีลูกอากตันอยู่นั้นก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ในสมัยนั้นถ้าหากวันเล่นขนาดนี้นะถือว่าแรงมากมันมีกติกาทางสังคมเรื่องนี้มันปิดเงี ย, งยบๆคงจะได้แต่ถ้าหากว่าสังคมรู้แล้วจะมีปัญหามากมันจะเกิดเป็นประชามติมันจะลงประชาทัน ว่าใครที่ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยสังคมจะลงประชาธนันไตเลยวาันการเลี้ยงดูมารดาบิดาจึงถึงนอกจากจะเป็นธรรมะแล้วมันเป็นกติกาสังคมสมัยยุคนั้นเนี่ยนะคือสังคมจะลงโทษให้รามก็เรียนกาถานี้ไปท่องเสร็จแล้ว คนก็จะรุมประชาธิน์ลูกชายทั้งสี่ลูกก็วิ่งก็มาขอโทษพ่ออ่อนวอนพ่อพ่อก็ใจอ่อนก็อภัยให้ต่อมาก็ตั้งใจอุปถักภบังลุงดีแล้วปัญหาเรื่องนางกัดจานีอะไรอะไรมีเยอะเยอะเรื่องเรื่องเกี่ยวกับปัญหาบังลุงพ่อแม่เนี่ยเรื่องดูพ่อแม่ตอนนี้ก็ใกล้วันเด็กไอ้วันนี้วันเด็กนะฮะวันเด็ก วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราในะแต่ละปีนกำหนดเป็นวันเด็กเวลาเราพูดเราเราเราไปพูดถึงถึงถึงก่อนจะเป็นเด็กก็ทำให้สูญเสียโอกาสในการปลูกฝังสำนึกกตัญญู พอถึงวันแม่เราก็เน้นไปที่ที่ลูกโดยไม่นึกถึงถึงความเป็นแม่ด้วยที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อลูกก็ทำทาให้เสียโอกาสที่สร้างจิตสำนึกไปอีกจริงวันอย่างเงี้ยมันก็น่าจะมาพูดเพื่อให้คนเป็นเป็นเด็กนี่ได้คิดได้สะสมความสำนึกกตัญญูต่อพ่อแม่ไว้ภายในใจิตใจ พันพรรมทั้งสองนี้อายุร2อยิปีนี่คงแก่ไม่เบาอวนะคงแก่เยอะคนแก่สองคนยักแย่ยักยันไปภาพพระพุทธเจ้าเรานึกภาพแล้วมันก็น่าสลดใจเหมือนกันแต่เราจะเห็นภาพอย่างหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยคือท่านเป็นกัท่านทุกอย่างแล้วเป็นคนที่เข้าถึงได้ง่าย ใครจะไปใครจะมาใครจะเข้าเฝ้าก็ได้ไม่ว่าอะไรเป็นภาพเป็นภาพที่มันมั น, ม, นมันสนิทสรมคุ้นเคยอบอุ่นนะฮะแต่ไม่ได้เจาะจงว่าเฉพาะที่เป็นพุทธบริษัทเท่านั้นแต่ว่าใครก็ตามมาปรึกษามาคุยมาสอบถามมาเยียบเยือนอะไรต่อะไรก็ได้ดังนั้นเป็นศาสดาผู้เอนดูที่พร้อมได้นั่งจับเผ่าคุยกับชาวบ้าน คนสองคนอะไรก็ได้คุยกันบางทีวันนั่งคุยกับเด็กๆนี่ก็ น, นั่งคุยกับคนแก่ๆคือภาพการทํางานของพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเรานั่งหลับตาดูนะอ่านไปหลับตาและจินตนาการว่าภาพตรงนี้ลักษณะทางพื้นที่มันเป็นยังไงลักษณะการนั่งการยืนการเดินอะไรอะเป็นยังไงเราจะเห็นเมีความอบอุ่นความเยึกเย็นแล้วก็เป็นศาสดาที่อนุเคราะห์อ็นดูจริงๆ แล้วใครเข้าไปใกล้นี่ยไม่ผิดหวังต้องหาทางออกให้จะได้แล้ววิธีหาทางออกไม่ได้เหมือนกันนะฮะไม่ได้เหมือนกันว่าเขาต้องสามารถใช้ทางที่พระองค์ชี้ให้ได้คือเดินบนทางที่ทรงชี้ให้ได้พุทธภาษิตแนวปรลบรคติธรรมดาชีวิตแนวนี้เราเคยพบในเทวตาสังยุตแต่ว่าเป็นรูปคําถาม แล้วก็มีเฉพาะตอนต้นนะฮะมีเฉพาะตอนต้นที่บอกว่าพึงทําบุญซึ่งนําความสุขมาให้แต่นั้นเองเห็นภายในเพราะความตายพึงทําบุญที่ทาความสุขมาให้เท่านั้นไม่ไม่ได้ต่อไปข้างหลังไปข้างหลังอีกเอ้ทีนี้ก็ส่งสอนในกติธรรมดาของชีวิตสอนง่ายนะฮะเพราะว่าเราก็เห็นกติธรรมดาของชีวิตตัวเองที่แก่ชราครุ่นคร่าลงไปโดยลําดับ ประชีวิตเราเมืเกิดมามันก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าการพิจารณาการคิดเนี่ยมันทำยังไงจึงจะยอมรับความจริงเพราะตรงนี้ท่านเน้นไปที่การยอมรับความจริงกล้ๆกเราสวดเชราธมมิจจรังอนัตติโตเนี่ยจริงๆแล้วใจเรารับความจริงจุดนี้หรือไม่ยอมรับตังความแก่ที่กำลังเกิดขึ้นหรือไม่ ยอมรับความตายที่จะมาถึงข้างหน้าหรือไม่เพราะถ้ายอมรับจริงๆแล้วเนี่ยเราจะผ่านวันเวลาไปด้วยความไม่ประมาทเพราะมองระหว่างชีวิตกับความตายเนี่ยไม่ว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่จะทําทให้เราอยู่ด้วยความไม่ประมาทเพราะชีวิตเรานั้นเป็นของไม่เที่ยงแต่วความตายนะมันเที่ยงแน่นอนต้องเกิดแต่ว่าเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน ือไม่แน่เหมือนกันเราทำให้รีเว้นทางของผู้ประมาทโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคก็เป็นความประมาทในคอนข้างมากแล้วก็แพร่หลายทีน่นี้การอยู่ด้วยความไม่ประมาทจะทำยังไงในที่นี้ส่ง ใช้คำว่ากระทาบุญซึ่งนำความสุขมาให้เป็นภาพ ร, มรวมๆพูด ร, มรวมๆไปเลยนะฮะว่าให้ทาบุญที่นำความสุขมาให้ซึ่งก็แล้วแต่จะเน้นว่าคนฟังเนี่ยมันสามารถจะปฏิบัติได้ในจุดใดพูะเจา้าก็จะส่งเน้นในจุดนั้น แต่ว่าพราหมณ์เนี่ยท่านๆท่านเป็ น, นคนแก่อย่างที่บอกแล้วนะฮะคือจะชวนมาบวชเท่โยมจะอยู่เลยลูกหลานไม่เลี้ยงก็ไม่ไหวคนแก่ขนาดนั้นบวชตั้งก็ปฏิบัติไม่ได้แต่นี่จะเป็นบุญมันก็เป็นบาปมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะบวชเนี่ยที่จริงเป็นพระที่มันมีความเสี่ยงนะฮะมันใกล้นิพพานพอๆกับใกล้นรกเพราะสถานะของเราเนี่ยมันจะถูกจํากัด ว่าทำไมทาไม่ได้เพราะเราเป็นพระต่นั้นเองเราทำตรงนี้ไม่ได้ไม่ใช่เราไม่รู้ไม่เข้าใจนะฮะแล้วไม่ใช่ไม่สามารถทำแต่ว่าทำไม่ได้เพราะเป็นพระทำหมเราเห็นว่าคนบางคนที่ทำงานเพื่อศาสนาอย่งเช่นท่านสีเทวมิตรนาคาริกทำปาระหนังถือว่าเป็นคนมีบทบาทสำคัญมากนะฮะเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ย ท่านเป็นครอบครัวพุธแต่ถูกปกครองโดยพวกคริสต์อยู่ที่เกาะลังกาแล้วต่อมาท่านต่อสู้เพื่อรื้อพือ้นพุะศาสนาขึ้นในลังกาแต่ก็จริงไงแพศขรงพระนี้มันทำงานไม่ถนัดเน่ยบัตรก็แย่ติดต่อเกี่ยวข้องกับคนก็ลำบากจะไปไหนมาไหนก็ต้องมีลูกศิษย์มีวิยาัจกรต้องเสียค่ารถขึ้นรถลงเรือมันยุ่งจังเนะี่ยไม่ได้ เพราะถ้าตัดสินใจศึกออกจากพระเพื่อทำงานตรงนี้แต่ทีนี้ถ้าสึกเป็นคารวะไปเลยเนี่ยมันก็มีปัญหาอีกละมีปัญหาแบบคารก็ไปอยู่เป็นอนาคาริสอนาคาริส ก, ก็คือแบบนักบวชแต่งชุดขาวรักษาศาษีลแปดตลอดชีวิตก็หมายความว่า มันไม่ถึงก็ออกไปเป็นคราวาแบบมีครอบมีครัวมีวมลูกบิดาอันนั้นก็มีปัญหาอีกทำงานศาสนาไม่ได้อีกในรูปของการรื้อฟื้นแนวนี้ซึ่งจะต้องต่อสู้เยอะนะฮะนั่นคือท่านมองเห็นความจํากัดของความเป็นพระว่าถึงจุดนี้เป็นพระทำไม่ได้แต่ถ้าเราเป็นฆราวาดไปเลยนะฮะถึงจุดนี้ก็ทำไม่ได้เหมือนกัน แล้วก็อยู่ในจุดที่เรียกว่าพอทำได้ในสายงานี่ตัวต้องรับผิด ช, ชอบทีนี้คำ ค, ำคำว่าบุญที่ส่งเน้นในทีนี้เราจะจะเห็นว่าไม่ได้เน้นที่ทานนะฮนะไม่เน้นที่ทานเพราะอะไรเพราะว่าพระามท่านไม่อยู่ในสถานะที่จะไปทำบุญด้วยการให้ทาน แต่ว่าบุญเนี่ยที่จริงโดยความหมายก็คือสิ่งที่อะไรก็ตามแ้วมันเกิดขึ้นแล้วขจัดกิเลสออกไปได้การกระทานั้นเราก็เรียกว่าบุญบุญที่เป็นส่วนเหตุก็คือขจัดกิเลสได้บุญที่เป็นส่วนของอาการก็คือกายที่สงบวาจาที่สงบคือใจที่สงบบุญที่เป็นส่วนผลก็คือความสุข ซึ่งมันก็ยืดยยาวนานไปนะฮะกลายเป็นสมบัติที่เราเรียกว่าถึงพร้อมสมบัติที่แปลว่าถึงพร้อมก็คือสมบูรณ์นะนะสมบัติสมบูรณ์พูนเพิ่มอะไรอะไรเราก็พูดต่อๆกันไปซ้าๆสมบัติก็แปลว่าถึงพร้อมหรือสมบูรณ์หมายความว่าอํานวยผลเป็นความสุขระดับมนุษย์ระดับสวรรค์ระดับนิพพาน ก็นำสุกมาให้ก็ แ, แล้วแต่ระดับไหนทีนี้ไอจ้จุดจุดจุดแตกต่างเนี่ยมันมันไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกแต่ไปอยู่ที่คุณภาพของจิตหมายความมันไม่ได้ถูกกาหนดโดยตัววัตถุแต่ถูกกาหนดด้วยคุณภาพทางจิตหมายความยังไงหมายความว่าถ้ากิเลสถูกขัดเกลาไปมาก เราก็ได้รับความสุขมากเพราะว่าธรรมะจะเพิ่มขึ้นมากนะฮะถ้ากิเลสลดมากธรรมะก็เพิ่มขึ้นมากวันนี้เราก็ดูกันค้ากันร้อนกันเย็นนะฮะต่าลองสังเกตน ะ, ะถ้าถ้าเย็นเพิ่มมากอ่ะร้อนก็นลดลงไปมากถ้าเย็นเพิ่มน้อยร้อนร้อนก็ลดลงไปน้อยก็ แ, แสดงว่าร้อนมากพวกนี้เขาจะไม่เพิ่มด้วยกันนะฮะแต่ว่าควายหนึ่งเพิ่มควายหนึ่งจะลด ตราเท่าที่เรายัางเป็นปุถุชนคนที่เพิ่มโดยไม่ลดมีเฉพาะพระโสราบันขึ้นไปนะฮะถ้าถ้าปุถุชนแล้วก็ mm. กข็ขึ้นๆลงๆอย่างเงี้ย mm. เพิ่มเพิ่มรดลอย่างเงี้ยบางทีอาการหนักมากก็สามวันดีสี 4, ่วันร้ายไปเลยบางทีก็ลมเพลิลมพัดบางทีก็ฟ้าเปือ ๆ, ๆท่านจะเห็นว่าจิตเป็นไม่ปกติ อาการเหล่านี้ที่เราพูดถึงอาการเหล่านี้ก็แสดงว่าจิตไม่ปกติหมายความว่าธรรมะก็คุ้มครองใจไม่ได้นานกิเลสก็เกิดขึ้นครอบงำใจอยู่ไม่นานเลยเล ย, เลยมีอาการไม่ไม่ปกติไม่มีความต่อเนืองก็ส่งสอนในรูปของการสํารวมระหว่งัง สํารวมว่างกายสํารวมลงวจาใสํารวมร่างใจก็หมายความว่าสอนในรูปของบุญที่เป็นส่วนเหตุพอสํารวมวังก็เกิดอาการทางกายวจาใจใจที่ปกติก็เป็นบุญที่เป็นอาการแล้วก็บุญจะเป็นส่วนผลก็คือความสุขมันมันมันจะเกิดที่หลัง็นแนวนี้เป็นเป็นเป็นแนวของปัจกิริยา ขณะเรื่องการมองว่าในวปประชุมที่กระทรวงศึกษาเรื่องการตั้งหมหาวิทยลาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลกประชุมกันครั้งที่สองแล้วยังยังหาลงรูปแบบยังไม่ได้คือมาว่าก็แปลกแหละเขามองแปลกเขามองไปถึงหลักสูตรหนังสือเล่มนั้นเล่มนั้นแต่มาว่ามันมันมันเป็นผลของตรนไม้มันคือทำยังไงยาปลูกตรดไม้ได้ก่อนผลมันเกิดทีหลัง คือเรามองลักษณะขององค์กรจะ ต, ตั้งขึ้นว่าจะตั้งอย่างไรว่ามากกว่าตรงนี้ถือรับสำคัญที่สุดเพราะตรงนี้เกิดยอย่างอื่นก็เกิดตามมาเองแต่ก็พูดไปถึงเรามองภาพคล้ายๆจะตั้งฟาร์มนะฮะเลี้ยงไก่ไก่ยังไม่มีสักตัวนึ่ซื้อรถมาขนไข่แล้วเตรียมซื้อรถมาขนไข่ไปขายตลาด น, นึกภาพอย่างนีน้นั่งัอมันก็แปลกก็คิดแปลก ไอ้ตรงนี้เราว่ามันเป็นผลนะมันมันตรงนี้ไม่เกิดไอ้ตรงนี้มันไม่เกิดหรอกแล้วก็ไม่จําเป็นต้องพูดตรงนั้นคือมองให้เป็นระบบมองแบบปัตจจการมันมันความเป็นเหตุเป็นผลถึงกันในการเขาเรียกว่าลำดับก่อนหลังลำดับก่อนหลังว่าถ้าตรงนี้ไม่เกิดตรงนี้มันก็ไม่เกิดอพูดไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร เจ้นักวิชาการนี่พูดเก่งทุกคนพูดกันได้นอนเราเคยประชุมเรื่องมลพิษมลภาวะที่ราชบัณฑิตเกี่ยวกับพลูชันนะนะฮะแปลพอลูชันว่าจะมลพิษหรือมลภาวะเชียงกสามวันนะ่ะนะคำเดียวนะเียงกันสามวันไม่ลงนะพูดกันได้พูดกันเหนื่อยเลยจะเอามลพิษหรือมลภาวะ คนละทายแบบนี้นนคนพูดอยู่ทั้งสองคำนะฮะทั้งมลพิษทั้งบลภาวะบุญลพิษมันไม่ค่อยสนิทหูเสียงมันไม่นิ่มมันแข็งพูดด้วยบนญลพิษขาดเสียงมันตายอักษ ร, รมันตายมับนบุลภาวะมันนิ่มๆพูดแล้วมันนิ่มๆคนรู้สึกว่าไม่ค่อยเหนื่อยโดยคนก็พูดอยู่ทั้งสองคำทีนี้อลลักษณะของบุญเนี่ยท่านทั้งหลายจะเห็นว่า โดยพื้นฐานมนุษย์เนี่ยนะฮะโดยพื้นฐานมนุษย์ที่จริงก็เกิดมาด้วยบุญนะเพราะบุญระดับสี่เนี่ยท่านยังเรียกว่าปกติเพราะปกติคนมันก็เป็นอย่างนั้นแหละปกติมนุษย์เราก็เป็นอย่างนั้นนะคือเราไม่มีอะไรที่เป็นตญลักษณ์ของการพร้อมที่จะเข็นค่าห้าหันเบียดเบียนปฏิทินลักกัน ทุกส่วนของขอ ง, ของร่างกายเราเราจะเห็นว่าไม่มีอะไรที่ ท, ที่เป็นอันตรายเราไม่มีเข า, ไ ม, มเขาไม่มีเขี้ยวไม่มีพิษไม่มีอะไรซึ่งผีกษระสัดเดชานสายชันก็มีจุดเด่นของเขาที่จะป้องกันภัยป้องกันอันตรายได้แต่คนนั้นแปลว่าสัตว์โลกที่มีเหตุผลเป็นสัตว์โลกที่มีใจสูงสัตว์โลกที่รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ มันเป็นสัตว์โลกชนิดเดียวที่ยืนขนานกับโลกแล้วก็ใช้ความคิดเป็นหลักใช้สติปัญญาเป็นหลักในการต่อสู้ในการแก้ปัญหาในการทําอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นลักษณะของศีลห้าเราจะเห็นว่ามันผิดปกติทั้งนั้นเลยการละเมิดศีลห้ามันผิดปกติทั้งนั้นปกติก็ไม่ข่าไม่ลักไม่ประพฤติ ผ, ผิดในทางการม การกระทาเหล่านั้นกระทาไปด้วยความหลงก็มีด้วยความโกรธความโลภนะส่วนใหญ่กระทำไปด้วยความโลภแล้วก็ทํำไปด้วยความโกรธก็มีทําด้วยความหลงก็มีแนวการปฏิบัติทั้งปวงจึงมาสรุปที่การลดของกิเลสการพยายามลดก็ลดเท่าที่ลดอนะฮะเท่าที่เราลดได้ แปลว่าแนวศีลเนี่เอาศีลมาควบคุมไว้เพื่อจะปรับอาการทางกายวาจารของเราให้อยู่ในเกณฑ์ตรงนั้นมาอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าปกติตามนั้นว่าแนวการผิดศีลถ้าทั้งหลายจะสังเกตว่าจะมีคนอื่นตำหนิอยู่ด้วยจะมีคนอื่นคื อ, ค, อคือมันมันมันผิดกติกาสังคม ผู้ฆ่าก็ถูกตำหนิผู้ลักก็ถูกตำหนิผู้ล่วงละเมิดทางประเวณีก็ถูกตำหนิผู้โกโหกก็ต้องตำหนิมันเป็นธรรมะของสังคมหมายความว่าใครละเมิดกฎตรงนี้ของสังคมสังคมก็ตำหนิเราเห็นพัฒนาการของเรื่องความคิดในสีหน้าเนี่ยมันมีเป็นตังโลกเริ่มมีคนแล้วนะฮะ ปัญหาครั้งแรกก็คือปัญหาผิดสี่ห้า น, นั่นแหละแต่ก็แก้ของท่านมาเรื่อยๆปรับมาเรื่อยๆจนบางครั้งเนี่ยมนุษย์ใจสูงมากมันกลายเป็นธรรมะไปเลยไม่ต้องมีใครไปโจดไปทวงแต่จะสำนึกตัวเองและอายตัวเองอย่างที่เราเคยพบนานแล้วนะรู้สึกหลายปีสักสามปีสี่ปีทีละนี่เรื่องกุรุธรรมชาดกอะ ตรงนั้นเป็นธรรมเป็นธรรมะหมายความว่าท่านโจทย์ตัวท่านเองอนเนี่ยแสดงความบกพร่องผิดพลาดของท่านและท่านแหนงใจท่านละอายแก่ใจท่านตําหนิตัวท่านเองไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่จําเป็นจะต้องมีคนดื่นมาทวงมาจรมันแสดงว่ายุคหนึ่งสมัยหนึ่งมนุษย์พัฒนาไปเยอะแล้วถ้าเราดูในพวกนี้นะฮะว่า ก่สมัยพุทธกาลนานขนาดไหนเราไม่รู้น ะ, ะมันเคยกล้าวมาถึงจุดที่เรียกว่าสงครามไม่มีก็ทําเพียงแต่ว่าเอาแม่ทัพสองฝ่ายมารบกันแล้วฝ่ายไหนชนะฝ่ายนั้นก็ชนะฝ่าย น, น, นั้นก็เรียกว่าดีขึ้นเยอะแล้วแล้วต่อมาเอาแม่ทัพสองฝ่ายมาถกปรัญายกันนะฮะ มีกรรมการสองฝ่ายตัดสินว่าใครคำคู่ใครได้คมกว่าเป็นหลักธรรมมากกว่าคนนั้นก็จะเรียวเป็นสุภาษิตเป็นสุภาษิตมากกว่าคนนั้นก็ชนะเลยมันก้าวหน้าเลยไปจนถึงว่าเอาราชาสององค์ซึ่งเป็นคู่ต่อสู้กันนี่มาเทียบคุณธรรมกันใครคุณธรรมเหนือกว่าคนนั้นก็ชนะเอาขนาดนั้นน่ะ น, นะโลกมันก้าวหน้าไปเยอะเลย แต่ปัจจุบันเราจะเห็นว่าโลกตกต่ำลงแย่เลยเรื่องจิตวิญญาณพฤติกรรมความคิดว่านี่ตกต่ำลงมากตกต่ำจนมีคําถามแนวนี้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมื่วันซื้อเนึ่ยก็มีคนมาตั้งคําถามประเด็นนี้แต่ว่ามีมีคนพูดมากนะฮะเขาบอกว่าสงสัยว่าโพสัตว์นรกเนี่ยมาเกิดกันมากคําพูดนี้พูดกันมาหลายปีแล้ว ตั้งแต่เริ่มวางแผนครอบครัวคุมกำเนิดรตะตรยรณรงค์แล้วก็รเราจะเห็นว่าพฤติกรรมคน ร, รุนแรงขึ้นเมื่อเช้าในดูก็พ่าดวนซื้อผิมพ์พ่อนอนคลุมหนาวนะฮะบางคราไปลูกนั่งหนาวสันบึกบึกเนี่ยขอถานตัวเองนอนคลุมคุมถือเหล็กแหลมคุ ม, ค, มคอยคอยแทงลูกข้างหลังยิบเกลไม่ใช่เล่นนะนะฮะยิบเกลไม่ใช่เล่นเลยนะ ลูกเล็กๆตัวเล็กๆพ่อนอนสบายนะลูกหนาวสั่นไปบแบบแบบพ่อจะคอยเจ้าแทงอยู่ด้วยนั่นคือจิตที่มันตกต่าตัวต่ำลงไปมากมันก็ขาดความสงบแสดงว่าโลภะบหะนี่แรงจนจนไม่ได้คิดอะไรเหตุผลแล้วใครก็ขัดขวางโลภะตัวเองก็จะเกิดโกรธเพราะนั่นเด็กไม่ตอบสนองโลภะตัวเองก็โกรธก็แทง ไม่คิดอะไรเลยเราลองสังเกตดูข่าวคราวเรื่องราวต่างๆที่ปรากฏในสังคมมันมันมันไม่น่าเชื่อวนแรงเหลือเกินซึ่งเป็นปัญหาที่ค่อนข้างแก้ยากสือคนเรายิ่งมากขึ้นเท่าไหร่ในการรับสื่อสารต่างๆคือไม่รู้ใครมาแอบสอนลูกหลานเราที่บ้านมันสอนดังโทรทัศน์สอนดังวีดีโอ ไม่รู้ลูกหลานใครไม่รู้ใครมาสอนเกมายังมองแนวโลกาโุวัตกับไทยคมขึ้นไปแล้วะฮะโลกาโนวัตเนี่ยความคิดแนวโลกาโนวัตเ ท, ที่จริงดีนะแต่คนเราต้องพร้อมแต่คนไม่พร้อมนะั้อันตรายมากแล้วไทยคมขึ้นไปเนี่ยเรารับโทรทัศน์ได้ต้องเกือบทั่วโล ก, ก น, นะฮะแต่มันส่งเข้ามาคน เด็กอยู่ในบ้านเนี่ยก็เปิดดูช่องไหนก็ไม่รู้ในความคิดความอ่านเป็นยังไงก็รรู้สะสมไม่เท่าไหร่ก็ไม่รู้พ่อแม่บางทีเจ็ดวันไม่ได้อบรมสั่งสอนลูกโทรทัศน์สอนทุกวันเลยแล้วต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงนี่คือสิ่งนี้มันผิดปกติเมื่ก่อนก็มาประลบครูก็ไปหาอาจารย์ที่มหาวิยาลไรก็ไปหาขอให้ช่วยไปสอนเด็ก เราก็ปรารถนาเด็กมันทําไมมันไม่ค่อยเชิงเป็นผู้ชายผู้หญิงอะทํำยังไงอะเนี่ยมันมั น, ม, นมันจะช่วยกันยังไงได้อะตรงเนี้ยว่าอาจารย์ผู้หญิงเขาก็บน่นนะลูกศิษย์ผู้ชายกรตุ้งกระติ้งกระตุ้งกระติ้ ง, ต, งตอนวันเสาร์วันอาทิตย์ทาปากแดงเดินกอกุมโอ๊ยอะไรก็ไม่รู้จะทํำยังไงกันดีก็นี้ก็รับอาส า, าจะไปสอนก็ไปสู้ไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะยักียเสียวๆยังไงนะ่ แต่ว่ามั น, ม, นมันมองแล้วก็ลูกหลานะนะครับมันก็ทนไม่ค่ได้ว่าทํายังไงเราจะช่วยกันได้ช่วยได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้นะแต่ว่าให้รู้สึกว่าเราได้ได้มีส่วนร่วมในการช่วยก็คงจะพอแล้วนี่คือความผิดปกติถ้าเรามองกลับไปดูนั้นก็คือกาดการขาดการสํารวมระวังตามท้องวรแก่สถานะที่เราเป็น เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงได้จริงสํารวมระวังตามต้ควรแก่ฐานะและสถานเหล่านี้เมื่อเขาแพร่หลายมากเนี่ยพวกนี้ไปออกชี้นำสังคมทางสื่อมวลชนสื่อสารมวลชนต่างๆชี่นำโดยเฉพาะทางโทรทัศน์มันมีทั้งภาพทั้งเสียงทั้งกิริยาการที่เด็กซึ่งมองเห็นจะซึมซับ เดีนึกว่าสังคมในถูกคนโง่ๆสอน น, นนะะแต่ลองดูสังเกตดูว่าพวกนี้วุฒิภาวะมันขนาดไหนที่เอามาสอนคนทางโทรทัศน์กันอยู่เนี่ยแล้กิริยาอาการแล้วเอามายกย่องชดชู ก, กันก็ตลกสดุกสนานเข า, เขาในหมู่พวกของเขาก็ได้เงินแต่ว่าที่ซึมซับให้เด็กให้คนทั้งหลา ย, ยาเท่าไรเราก็ไม่รู้ แต่ให้ลองสังเกตว่าถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อประมาณทั้งยีกว่าปีมาแล้วเนี่ยสมัยระเบิดขวดกับสมัยหนังจีนกํบบาลังภายในสองสมัยนะฮะสมัยรเบเปิดขวดเด็กรุ่นนี้อายุประมาณสัก30มกว่าถึง40เนี่ยพิการอยู่เยอะ<ม>ในบ้านในเมืองเราจะ แ, แข้งขาขาดมือขาดแขนขาดพิการอยู่เยอะนั่นก็คือทดลองระเบิดขวดกันแล้วเวลาเนี้ยเด็กเด็รุ่นอายุสัก20่กว่าเนี่ย พิพิการอยูเยอะเพราะว่าไปเรียนพระเอกหนังกำลังภายในคือมันไปสอนตรงในในห้องในบ้านน่ะแล้วเด็กมันก็เรียนมันก็เกาะเลยวันมุ่งลงมาขาหักแข้งหักไปเยอะแยะไปหมดเลยเด็กนี่คือสิ่งที่ที่ที่ที่ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะสภาพสงบทอย่างนี้ไม่รู้จะทํำยังไงแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าห่วง แล้วเราก็ต้องอยู่กับเขาจนตายนะไม่เียวบาอ่างไงกันนะนั่นคือภาพที่ติดปิดปกติแล้วนำอะไรก็นำความทุกข์มาให้แต่ที่จะนำความสุขมาให้ส่วนบุญนั้นจะนำความสุขมาให้แต่ทรงเน้นไปที่การสำรวมนะฮะเราจะเห็นว่าตัดที่ฐานออกไปเป็นการสอนเฉพาะกลุ่มคนนี้คนแก่สองคนนะฮนะสอนเฉพาะคนแก่สองคนแต่ที่อื่นทรงสอนที่ฐานนะฮะ ก็แล้วแต่แวแต่ว่าคือพระเจ้าสอนดูคนว่าเขาสามารถปฏิบัติได้ตรงไหนันไม่ใช่ว่าสอนครุมไปเลยคือดูว่าตรงนี้คนคนนี้เ็าทำได้แค่เนี้ยเราจะเห็นว่าถ้าถึงกระบวดคนร้อยี่สปีไม่ไหวบวดไม่ไหวให้ทานนายโยมจะเลี้ยงตัวเองยังไม่ไหวเลยจะให้ทานได้ยังไงเออเอาอย่างไง<ม>ที่โยมพอทําได้นะฮะก็คือรักษาศีลนหะ้า สีห์้าเนี่ยมันมันค่อนข้างง่ายนะสำหรับคนแก่เนี่ยนะครับคือนึกไม่ออกว่าคนแก่จะไปละเมิดศีห์ทาไมมันไม่เห็นมีอะไรน่าละเมิดสักข้อเลยทั้งฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็ดตื่นสุราไม่ไม่ไม่ไม่มีอะไรที่น่าละเมิดเพราะงั้นเราจะเห็นว่าถ้าท่านตั้งใจสารวมระวังเนี่ยจะง่ายจง่ายในการปฏิบัติพระเจ้าก็เน้นตรงเนี้ยเน้นขอให้รักษาศีล์ห ส่วนเรื่องอื่นเรื่องเรื่องความเป็นอยู่เนี่ยพระเจ้าท่านก็แก้ให้ได้ท่านก็สอนให้ได้สอนลูกสอนเต้าใหได้แต่ว่าไอโยมจะไปทำบุญจะไปสอนถึงว่าขอสตางลูกมาทำบุญให้ทานมันคงจะหนักไปนะคงจะไปขอกระดาษนั้นไม่ได้ก็เอาแต่ว่าลูกเลี้ยงเรื่องเรื่องร่างกายเนี่ยให้ลูกเลี้ยงให้แต่ว่าบุญซึ่งจะเป็นที่พึ่ง จะเป็นที่พึ่งในสัามาฬจะพบนั้นเป็นเรื่องที่โยมจะต้องทำเองแต่พอดีโยมไม่มีเงินโยมต้องรักษาศีลนะ่ะคือให้ทำให้ได้เวลาสอนกับพรามอีกคนหนึ่งสอนแนวนี้เหมือนกันน ะ, ะสอนว่าเหมือนชีวิตเนี่เหมือนกับใบไม้เหลืองที่กำลังจะหลุดมันหลุดแน่นอนนะฮะมันหลุดแน่นอนแต่ว่าสเสบียงคือกุศลนี้ยังไม่มีให้ท่านทั้งหลายทา เบียงคือกุศลให้เป็นที่พึ่งเป็นเกาะเป็นที่พึ่งของตัวเองแต่ตรงนั้นสอนเรื่องทานเพราะว่าพรามคนนี้รวยมากสอนเรื่องทานสอนรักษาศีลคงคงเอาไม่อยู่นะคงออยังไม่อยู่ก็เอาเอ า, เอาทานแล้วกันมาทานกันเพราะอะไรเพราะธรรมะในภาคปฏิบัติกับภาคทฤษฎีเนี่ยมันต่างกันภาคทฤษฎีเราเห็นตัวเยอะเห็นองค์ธรรมเยอะนับหนึ่งสองสามสี่หเจ็ดปเก้าสิบ 90, นับเยอะเลย แต่ภาคปฏิบัติเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาแบบธรรมชาติให้โยบรองสังเกตว่าพอเราให้ทานสมมติเราให้ในส่วนที่เป็นวัตถุเนี่ยมันก็จัดโลภะในส่วนสิ่งนั้นก็จัดความเสน่ห์กับไอสิ่งของที่เราจะให้นของที่เราจะให้เนี่ ย, เ ร, เ, ยเราต้องขจัดความเสน่ห์กับโลภะเอาไปได้ทีนี้คนอะ คนที่เราให้เนี่ยเราต้องการจัดโทสะได้ในความแท้คนนี้เราเกลียดเราไม่มีทางให้เลยเราสังเกตดูกันเลยกันนั่นคืออุบายวิธีในการสอนพระพุทธเจ้าที่จริงก็ต้องการจะให้ลดโรคคล ง, ลงแต่ว่าพูดมากๆไม่ได้ไปเดียวไเดียวเขาเขาไม่ทำก็เอาอย่างนี้ไปอย่างเดียวตั้งเองอ่ะคล้ายๆกินยาไปอย่างเดียวแล้ยยวยามันมันจะทําหน้าที่ให้เองทีนี้เมื่อเราให้ไปแล้วเนี่ยเราจะรับสัมผัส รับสัมผัสทางใจเป็นสุขใจสบายใจเช่นเะช่ น, นว่าคนกำลังหิวโหยมาเคยเจอที่ตอนนั้นเด็กๆนะฮะเป็นภาพในเดียนนี้ยังหลับตาเห็นอยู่อายุ60กว่าเนี่ยเราเป็นเด็กๆเป็นเด็ ก, ดกวัดอายุสัก8ดเก้าขวบน้ำท่วมจังน้ำท่วมภาคใต้ไม่ต้องพูดเลยนะฮะแล้วก็รู้ข่าวว่ามีบ้านหนึ่งเนี่ยเขาเขาไปไหนไม่ได้ไม่มีเรือแล้วก็อดข้าว เราก็เป็นเด็กแล้วก็ตัวเล็กมากนะก็ขนอาหารในวัดเนี่ยใส่ใส่เรือไปแล้วพายเรือไปโอ้ยพายเหนื่อยจังตัวเด็กพอจอดเรือปั๊บมีคนกลูก็กมากินโอ้ยเราตื้นตานมากเลยตื้นตานมากฮนะเป็นภาพที่เห็นอยู่จนเดี๋ยวนี้ทุกวันนะหลับตาแนละ้วก็เห็นเป็นภาพเลยว่ามันมันถ้าเราไม่มาช่วยเขาตรงนี้นะเขาคงแย่นะมันก็เกิด สัมผัสตรงมันมันเป็นภาวนาสัมผัสตรงเออว่าคนที่เขามีทุกข์เนี่ยถ้าเราแก้ทุกข์ให้เขาเนี่ยนะเราจะได้สุขเขาได้สุขเพราะอิ่มแต่จริงเราได้สุขเพราะได้เพราะได้เพราะได้ช่วยเขาเป็นสัมผัสตรงก็เกิดเป็นปัญญาขึ้นมาอะไรไ้มปัญญาขึ้นมาพิจารณา่าทำให้เราเกิดความกระตือรนที่จะที่จะช่วยเหลือ ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลืออะไรแบ่งเบาความทุกข์ความเดือดร้อนคนอื่นนะคนบางคนที่ไม่ใช่ปัญญาพิจารณาเนะี่ยอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเสียแต่ถ้าเรามองให้ดีแล้วเราได้นะเราได้รายคุณภาพทางกิจวิญญาณเราได้ความสุขเราได้ความชื่นใจได้ทำประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์กัตสัตว์ทั้งหลายเนี่ย ่ามันมั น, ม, นมันอาจจะเริ่มที่ทานแต่จริงๆแล้วเนี่ยไปลดทั้งโลภะโทสะโมหแะแตทานมาลดโลภะที่จริงเนี่ย ม, มันแบ่งเป็นสองอย่างว่าสิ่งที่เราให้กับคนที่เราให้แล้วใจที่คิดจะให้เห็นนะฮะมันจะมีอยู่สามตัวใจเราจะต้องมีปัญญาพิจารณาเห็นคุณค่าของการให้เออถ้าเราไม่ช่วยนี่เขาแย่นะเห็นมนะคิดขนาดนั้นมนก็ปัญญามันเกิดรนะับ ปัญญามันเกิดขึ้นภายในใจก่อนแล้วสิ่งที่เราให้เราก็จัดโลภะได้คนที่เราให้เราก็จัดโทสะได้ตรงนั้นเพราะว่าทานก็จัดโลภะโทสะหมดจึงแสดงเป็นทางอ น, นิพพานได้ไงทีนี้ก็คนที่เราที่เราเริ่มขจัดโลภะโทสะได้นะฮะเวลาเขาทาอะไรเราเกิดไม่พอใจขึ้นมาบ้างเราอาภัยก็ได้เห็นไหมขจัดโทสะเป็นอภัยทานมันขึ้นมาเฉย มันขึ้นไปเฉยๆโดยธรรมชาติของมันแล้วต่อมาเราก็เสนอสนองขึ้นเคยเราก็ให้เราก็สงเคราะห์กันเสนอสนมงขึ้นเคยกั น, น, น, ม, กนมันก็แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเสนอแนะบอกกล่าวที่แจงกันมันก็เป็นธรรมทานเห็นไหมมันก็เป็นธรรมทานเพราะงั้นมันจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมันอย่างที่เคยบอกใญาติโยมต่างๆลองสังเกตว่าที่เราทําเนี่ยมันมันเป็นรูปแบบที่สร้างกันขึ้น ในปัจจุบันนี่เองมาเป็นรูปแบบแต่ถ้าเรามองที่พระอริยบุคคลท่านนั่งฟังเทศเช่เนเช่นสมมติพระยาศเนี่ยนะฮะพระยาศเนี่ชาวบ้านจะชัดเลยชาวบ้านชัดเดินดุยดุมากลางคืนนะฮะจะชนองคพระพุทธเจ้าไปตอนนั้นท่านมไปสมาทานศีลที่ไหนอะไม่สมาทานศีลที่ไหนยสศาเดินบ่นไปทีนี้วุ่นวายหนอทีนี้กัดข้องหนอวุ่นวายหนอกัดข้องหนอ พระเจ้ารับสั่งยศศากทีนี้ไม่อุ่นวายทีนี้ไม่ข า, าดคล้องมาทีนี้เื่นนั่งลงเถื่อเราจะแสดงธรรมแก่เถอยศศากคนนั่งนั่งตัวนั้นมันก็เป็นสีนะไปฆ่าสารลักทรัพย์เราปฏิการที่ไหนก็ตั้งนั่งก็สำรวมระวงังสำรว ม, ร ว, าร ว, มรวางกายไม่ทำอะไรให้ผิดปกติสำรวมรวางวาจาเพราะต้องฟังพระเจ้าเรียกให้นั่งแล้วให้ฟังเห็นไหมสำรวมระวังราจา ส, สารวมใจน้อมไปที่จะฟังพระเจ้าก็เทศ d v บรรลุกมกผลเป็นพระโสดาบันนะะพอพ่อพ่อปาก็อย่างั้นอีกไม่ได้สมาทานศีลมาอีกอะแกหาลูกกันแกอ่ะนั่งราเถอะมหาสมณะท่านเห็นยาตศากุลบุตรเดินผ่านทางนี้บ้างไหมพระพุทธเจ้าบอกนั่งตรงนี้แหละเดี๋ยวพบจะตศาสนี้ท่านปรงใจท่านเชื่อพุทธเจ้าก็เทศเทศชุดเดิมนั่นแหละเทศชุดเดิมเหมือนกับที่เทศให้พระญาติศัส พ่อพิจารณาตามแล้วเพราะพ่อเขาวางใจได้นะวางใจได้ว่าพระพุทธเจ้ารับประกันให้แต่เขาไม่รู้จักรูปุจจเจ้านะว่าจริงเขาไม่รู้จักรูปุจจเจ้าหรอกเขาเรียกหมาสมณะมสมณะเห็นยถ า, าคุณบูตรผ่านมาทางนี้บ้างไม้แต่ว่าท่าทางมันน่าเชื่อถือนั่งเรานี้แหละเดี๋ยวจะพบยถ า, าตรงนี้ท่านก็ปรงุงไอความไม่ตกังวลที่คิดถึงลูกชายเนี่ยมันมันมันจบแบบ ใจก็สงบ ก, ก็น้อมไปฟังเทเสทผู้เจ้าสุนทดเอมันก็เดินไปหมดทั้งศีสมาธิปัญญาโดยไม่ได้สมาทานสีนะไม่ต้องมะยังเลยไม่ต้องมายังบันเตอะไรเลยนั่นคือปฏิกิริยาแบบธรรมชาติของมันการมองปฏิกิริยาแบบธรรมชาติเหมือนกับเรื่องผลไม้ต้นไม้อะไรแต่เนี้ยคือเราจะเห็นว่าเรารู้ของมันว่ามันเป็นอย่างนั้นเหมือนกับอธิบาย แล้มาเคยพูดกับพวกพูดแทนเนี่ยเพูดเรื่องอธิบายวาตาภัยเกิดขึ้นหอุทกภัยอย่างไรที่นั้นบอกไม่ต้องพูดอะ่ะคำว่าวาตาภัยเกิดรุนแรงมากเท่านั้นพอแล้วไม่ต้องอธิบายภาพจากวาตาภัยในเรารู้ว่มันอะไรเกิดขึ้นน้ำมากไหลมาอย่างแรงบ้านเรือนพังทลายต้นไม้หักก้นถนนขาดสัตว์ตายเยอแยะไปหมดเลยไม่ต้องอธิบายอะไรเลยนะพูดเราเองได้เลยแล้วไปดูจะเหมือนกับที่พูดนั่นแหละ มันภาพมันมันมันต่อเนื่องมันเราเห็นที่ไหนก็ได้ไม่ต้องอธิบายเสียเวลาเปล่ารีบไปช่วยได้แล้วไม่จะมานั่งอภิปรายกันในสภาสองสามวันพอดีคนตายหมดพอดีมันไม่ต้องพูดหรอกวัตถุภัยเกิดรุนแรงมากหนาวจัดมากหนาจัดมากเราเห็นภาพทันทีเลยคนมันเป็นยังไงสัตว์มันเป็นยังไงท้องที่ท้องที่มันเป็นยังไงนะคนที่ไม่มีภ้าห่มมันจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหมึงวาด้หมดเลยน้ําในแม่น้ําเป็นยังไงอะ ตอนตอนเช้าช้าสภาพ้าไปล้อมเป็นยังไงคือนั่งพูดได้เป็นช่วช่วโมงโดยไม่ต้องไปดูคนที่เคยเห็นมาครั้งเดียวมันก็เหมือนกันนะทุกคนทุกแห่งที่ไหนก็ได้ภาพวาตาภัยภาพอุทกภัยไม่ต้องบบอธิบายเหมือนกันทุกแห่งถ้าบอกว่าหนักแล้วก็คือหนักก็อธิบายได้นั่นคือเราเลยเห็นไหมคือมันต่อเนื่องกันไปจากคําว่าวาตาภัยจากคําว่าอุทกภัยเนี่ยมันสิ่งเกิดขึ้นตามมากิเลสมันก็เหมือนกันอย่างนี้นะครับ โลบก็พูดโลบคําเดียวแต่ต่อจากโลบคืออะไรโลบแรงขนาดไหนมันก็เหมือนความแรงของน้ำนะโลบแรงเนี่ยถึงจุดหนึ่งก็ทํำลายโกรดโกรดแรงขนาดไหนมันก็เหมือนกระแสะน้ําเราจะเห็นว่าบางทีพระเจ้าจึงสอนในรูปกระแสะน้ําให้เราเห็นว่าชีวิตเราเนี่ยมันเป็นชีวิตแบบสัตว์ในน้ําต้องทวนกระแสะต้องทวนกระแสะน้ําถ้าไม่ทวน ตว์ที่ไม่ท่วนกระแสน้ํำคืออะไรคือสัตว์ตายแล้วันะไปลองดูในในในแม่น้ําเห็นไหมสัตว์ลอยตุ๊กปองตุก ป, ปองไปตามน้ําตายแล้วทั้งนั้นเนะีะแต่ที่มีชีวิตเนี่ยก็ทวนกระแสนะครับเพราะฉะนั้นคนเรานั้นต้องทวนกระแสกิเลสได้ก็กระแสน้ําคือกิเลสเจ๊โอคะห่วงน้ําเลยนะเรียกโอคะโอคะห่วงน้ําคือกิเลสมันมันฟาดผันจิตเราตลอดเราทวนก็ได้ไหม ทวนกระแสได้ไหมกระแสความโลภทวนไดทีนี้พอกระแสน้ําเราจะเห็นว่ากระแสน้ำบางทีมันเอื่อยๆอ่ะบางทีมันพายุบงทีมันมาแรงมากเลยเราทวนได้หเป่าเราไม่ตายเราไอ้น้ําเอื่อยๆอ่ะแต่ทีนี้น้ํา ม, มันแรงอ่ะกิเลสมันแรงมากเลยเจะเห็นว่าไอ้ตอนแรงเนี่ยเราเอาตัวรอดหรือเปล่าเราประคองตัวได้หรือเปล่าถ้าประคองไม่รอดตรงเนี้ยมันจะตาย ดังนั้นการการทวนกระแสน้ําจึ ง, จ ง, จง เ, เวลาใช้ความเพียรเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าใช้ในลักษณะ น, นี้เหมือนกับเราเร า, เราว่ายน้ําทวนกระแสไปแล้วก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยทรงตัวไว้ให้ได้อย่าให้น้ําแทงปลับมาอีกทรงตัวไว้ให้ได้แนวการปฏิบัติทรงใช้คำว่าไม่ถอยหลังจะมาเห็นไหมมือก็เราทวนกระแสน้ำํำไม่อย่างน้อยเนี่ยให้ทรงตัวไว้ได้อย่าถอยหลัง แต่ว่าจริงๆแล้วต้องการให้กล้าุดไปกันนาเมื่อเราทงสอนแนวความเปลี่ยนเขบอกว่าให้บุคคลปลูกฝังพอมพอใจใช้ความพยายามกระทาความเพียนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ละความชั่วได้ขนาดไหนก็รักษาสภาพจิตไว้ในระดับนั้นเคยเลิกดื่มเหล้าก็เลิกดื่มเหล้าให้ได้เคยเลิกเล่นการมานานก็เลิกเล่นการมานานให้ได้ก็ทําไปเรื่อยๆแล้วทํำไร พยายามต่อไปต่อไปไงต่อไปจนกว่าจะถึงจนกว่าจะขึ้นกระแสรอยน้ำว่าพระโสดาบันจึงทื่อพูดถึงฝัง่งหมายความว่ายน้ํำข้ามมาได้แล้วท่านจะขึ้นฝั่งได้แล้วพวกพระโสดาบันก็คือพวกพวกตั ว, วขึ้นฝัง่งพวกเราในพวกว่ายน้ำนะทีนี้น้ํานี่เราจะเห็นว่ามันสภาพมันไม่ปกติมันมีเงื่อนไขปัจจัยเยอะ บางทีมันเป็นอุตุ ก, กภัยบางทีมันเป็นวาตภัยมาผสมข้าวนะฮะเราเห็นภาพว่าอดินน้ําลงไฟ ม, มันกระทือนถึงกันหมดใช่ไหมมันอาจจะเริ่มที่ลมเสร็จแล้วมาเป็นฝนแล้วมาพังดินนะและ้วบางเกิดอะไรต่ก็ไฟพร้อมหมดแล้วนะฮะพร้อมหมดดินน้ําลงไฟอากาศมาวิปริตไปหมดเลยพวกท่าทั้งหลายมันวิปริตไปหมดมันเริ่มจากอะไรก็ได้เราจึงเห็นภาพตรงนี้ว่า การเกิดการดับของสิ่งทั้งๆเนี่ยจะเกิดหรือจะเกิดหรือดับตขมันมันมีเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทยอยหนุนกันไปทั้งบวกด้านลบทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบราะการการปฏิบัติที่ทรงใช้คําว่าสํารวนระวังกายสํารวจมังจะระวัง ว, วังจะสารวจระวังใจเนี่ยเราอาจจะพูดโดยสรุปหรือจะพูดโดยข้อข้อขอพิสนามันก็ไม่ค่อยแปลกอะไรนะฮะ จริงๆตรงนี้ถ้าสารวมระวังใจได้ก็จบสารวมระวังใจได้ก็จบเพราะว่าการคิดการทำของคนมันเกิดขึ้นจากใจใจเราคิดก่อนคิดก่อนจะพูดใจเราคิดก่อนจะทำทีนี้เราคุมใจไม่คิดในเรื่องบางเรื่องไม่ก็ทำให้เราไม่พูดในเรื่องบางเรื่องคือไม่ใช่ไม่พูดทุกเรื่อง บางเรื่องนะฮะโดยการวินิจฉัยที่แนวที่ทรงแสดงไว้แนวหนึ่งเนี่ยถึงใช้คำว่าใช้หลักของโยนิโสพนติกาคือการพิจารณาว่าสิ่งเ่าเนี้ยเมื่อทำไปพูดไปเนี่ยถ้ากิเลส ท, ที่ยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นนะกิเลส ท, ที่เกิดแล้วจะเพิ่มบูดมากยิ่งขึ้นก็ ก, ก, ก, ก, ก็ก็ไม่พูดไม่ทาแต่ว่าต้องไม่คิดก่อนนะ เราไม่คิดก่อนคือคือความคิดอะไรก็ตามแต่มันกระตุ้นกิเลสขึ้นมามากมากเนี่ยเราก็ไม่คิดมันก็จบให้ท่านลองสังเกตดูมันอยู่ที่เราคิดอย่างเดียวอะที่พระพุทธเจ้าพูดง่ายๆว่าสังกับปราโคบริสัทธกาโมความดําริเป็นกามของคนความดําริเป็นโทสะของคนความดําริเป็นโมหะของคนความดําริเราเร า, เราคิดเท่านั้นเองจึงเกิดปัญหาขึ้นมา ถ้าเราไม่คิดไม่มีอะไรนะะไม่มีอะไรหรอกเรื่องเยอะถ้าเราออกมาคิดหมดเราก็เสร็จแล้วออประสาทหมดละแต่มีเรื่องเยอะที่เราไม่คิดเรื่องบางเรื่องคนอื่นก็รู้เราไม่รู้เลยเราไม่รู้เราไม่สนใจเราไม่ใส่ใจเพราะงการปบัติสำรวมระวังถ้าเข้าไปถึงใจก็ชื่อว่าหมดละ ที่วศาทูตสัปปัตตสังโรการสัมรวมทั้งปวงเนการดีนั้นถ้าเรานับแล้วมันนับแต่เยอะการนับคล้ายๆเรานับต้นไม้มาจากปลายมันนับแต่เยอะแต่จริงแล้วเนี่ยมันไปสาวไปถึงโคนแล้วมันมาจากโคนต้นเดียวกันเท่านั้นเองถ้าเราจะบำรุงเราก็บำรุงที่โคนรุงที่โคนมันก็แตกกิ่งก้านสาขาออไปออกดอกออกผลไปรดน้ําก็รดที่โคนนั่นนะ วันการการปฏิบัติธรรมะจึงมาเน้นสํารวมระวังที่ใจเมื่อวานเนี่ยก็ไปอบรมพวกอนุษาสนจาราา์พวกรุ่นหนุ่มๆนะฮะเรือตีร้อยตีร้อยเอกนะแต่แต่เนี่ยมีในพั น, นยังไม่กี่คนคือคือว่าพูดแบบพวกรุกสิทธิ์เนี่ยนะพูดๆกันตรงๆอะ่ะพูดตรงๆก็อบรมได้เยอะเลย เพื่อต้องการจะให้คนกลุ่มนี้ออกไปเคลื่อนไหวให้ให้เป็นรูปธรรมให้เป็นรูปธรรมที่สังคมก็สัมผัสได้แล้วก็ปฏิบัติตนอยู่ในสังคมชาวบ้านเห็นว่าเออคนได้บวชได้เรียนมาเนี่ยมันดีมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะจากลูกสามัญชนธรรมดาก็เป็นผู้ดีมีกิริยามัญญาตเรียบร้อยะไร อ, อะไรเนี่ยนะฮะจะจะจะช่วยสร้างเราให้ดีขึ้นแล้วก็ช่วย กระตุ้นเตือนคนอื่นให้เกิดใส่ใจสนใจในศาสนาแมด้ด้วยการประพฤติปฏิบัติแต่การวางตัวส่วนโอกาสที่จะสั่งสอนแนะนำา น, น้เราทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าสถานะแล้วมันอยู่ในวิสัยที่จะช่วยอะไรสังคมได้เยอะโดยเพิ่มจิตวิ ญ, ญญาณขึ้นไปอย่าทำงานแบบราชการก็หวทำก็ทำมันต้องคิดโครงการอะไรขึ้นมาบ้างมช่วยเหลือสังคม ชี้นําความคิดสังคมเพราะว่าอนุสาสรณาจาร์เนี่ยแม้แต่นายพลเนี่ยเรื่องศาสนาก็รู้เก่งกว่านะจริงจริสนาจารย์ก็รู้มากกว่านายพลในเรื่องศาสนาเนี่ยมันก็ชี้นาก็ได้นะครพูดจาก็ได้เพื่อเกิดเป็นการปฏิบัติในแนวสำรวมระวังโดยสรุปนั้นท่านทั้งหลายจะเห็นว่าแนวนี้ บางทีเนี่ยงสรุปเป็นแนวของกุศลกำบนดแต่ว่าตรงนี้ส่งสรุปแค่ศีล น, นะแค่ศีลแต่เวลาแสดงจริงแสดงเลยศีลไปนะแสดงเลยศีลไปสำรวนระวังกายสำรวนองวาา่าจจสารวมใจเพราะว่าศีลเนี่ยจริง ม, มันต้องอยู่ที่เจตนาเจตนาตั้งใจสำรวนระวังบางอย่างเราจึงพูดเรื่องศีลหลายระดับ อาจจะต่างกฏเว้นชื่อเศีลความสำรวมระวังชื่อเศีลอาการปกติกายปกติวาจาชื่อเศีลความสงมบเย็นชื่อเศียงความเยือกเย็นชื่อเสียกแแ็แล้วแต่แล้วแล้วแต่จะพูดตอนไหนนะฮะแล้วแต่จะพูดตอนไหนมันเป็นอาการที่ต่อเนื่องมันเกิดมาจากความมีศีลภายในใจความสำรวมระวังภายในใจ มันก็ออกมาเป็นอาการเวล น, นี้มันมันมันไปเวลาไปไ ป, ไปพู้กับเด็กบางทีต้องต้อ ง, ต, องต้องใช้เธยเห็นเรียงลําดับกลับไปกลับมาให้ดูตอนนี้จะใช้ใช้ด้วยสี่คำนะฮะไปผู้กับเด็กผู้กับชาวบ้านในบ้านเนี่ยเคยดูที่ความแล้วการแล้วก็คนแล้วก็ผลนะเราจะเห็นว่าพูดตรงไหนก็ได้แต่มันจะต่อกันเมื่อเราพูดต้นไม้พูดจากปลายจากปลายก็ได้ชิมมัน หวานดีแต่มาเนี่ยผลมันนี่วันอีกนี้เราพูดจากผลแล้วลงมาถึงต้นมันเลยอยากจะปลูกเลยแต่จึงปลูกต้นนะไม่จะปลูกผลปลูกมัปลูกที่ต้นมันได้ปลูกที่ผลอยากจะเอาไปปลูกเพราะว่าลูกมันหวานดีนั้นเราราราให้กินที่ผลก่อนก็ดูที่ผลกันมาก่อนดูที่ลําต้นก็ได้นะดูที่ลําต้นโอ้สวยงามนี่มันมันนอกจากจะ กินผลกินดอกกินใบได้แล้วเนี่ยล้อมต้นก็ใหญ่ไม้ก็เนื้อดีด้วยอา้าสร้างบ้านได้ก็ปลูกต้นก็แล้วแตนะ่แต่ที่จริงมันก็ต่อกันนะฮะจากปลายมันถึงโขนมมันก็ต่อกันมาตลอดเลยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราจึงพบว่าพู้เจ้าพูดที่ผลพูดที่ผลซึ่งคนมาสัมผัสอยู่ในขณะนั้นนะพูดถึงสัตว์ตกน ร, รกพูดถึงคนที่เป็นเปรตคนที่เป็นพระาราหันคนที่ติดคุกคนที่อยู่ดีมีสุขนั่นคือผล แล้วเสร็จแล้วทำไมทำไมเขาจึงเป็นอย่างนั้นมันก็สาว ม, มาถึงความเป็นคนอย่างนั้นของเขาความเป็นคนดีความเป็นคนชั่วในสมัยหนึ่งอย่างนั้นอย่างนั้นอยาทำอย่างนั้นก็ว่าไปก็เล่าไปก็แล้วแต่สายไหนทีนี้การที่เขาเป็นคนอย่างนั้นนะเพราะเขามีการมีอาการทา ha, God, ีร่ออกกันทางกายกับทางวาจามีอาการทางกายทางวาจาเป็นทุจริตเป็นสุจริตก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่สายบุญหรือสายบาป ทีนี้ทำมอาการก็ออกมาเป็นอางนั้นเพราะมันสิ่งเป็นความความที่มันอยู่ภายในความโลภความโกรธความหลงความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงความไม่ตาความกวนนามันอยู่ที่ใจก่อนใจเนี่ยมันก็คิดคิดจากความมันออกเป็นอาการเป็นอาการพูดกันการทําจนถึงกับการคิดนะฮะทีนี้พอคนนั้นก็เป็นคนนั้นเป็นคนดีที่จริงเขาทําดีคนนั้นก็ทําดี ทำดีนั้นมันเกิดมาจากความคิดที่ดีทำให้การกระทำาขาดีเขาก็เป็นคนดี <c oughs> ก็บอกคนนี้คนดีคนนี้คนชั่วที่จริงมองยอดกลับมันไม่ใช่นิ่งๆชั่วนิ่งๆดีมันอยู่ที่เขาทำก่อนถ้าเขาทำมามาจากความคิดของเขาก่อนจากความคิดมาสู่การกระทำการพูดจากการทำการพูดมาสู่ความเป็นคนดีคนไม่ดีคนขยนันคนขี้เกียจมันก็ดูที่อาการนะนะแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นผล ผลนั้นก็ตายมาเป็นมนุษย์สมบัติกลายมาเป็นสวรรค์สมบัติกลายเป็นนิพพานสมบัติก็แล้วแตนะ่มากน้อยขนาดไหนก็ตามคุณคุณจะเห็นว่าคล้ายๆกับการหน่วยกิจในปัจจุบั น, เ, นเราจะเห็นได้ชัดมากนะฮะหน่วยกิจในปัจจุบันบางทีเราทำปัญญาตรีเนี่ยได้เกรดเกรดเเลยเกรดเกรดหนึ่งเลยได้สมเกือนบะ4ไปมันมันมันสามารถต่อปัญญาโทได้เยอะเอาไปหน่วยหน่วยกิจไปจอยปัญญาโทได้ตั้งหลายหน่วย ก็ไปต่อบปญาโทพักพักเดียวได้แล้วเพราะนั้นบุญบางอย่างเนี่ยให้สุขในปัจจุบันแล้วเนี่ยมันจะให้สุดในโลกหน้าด้วยเพราะมันบุญเยอะมันเหลือใช้นะใช้ในโลกปัจจุบันไม่หมดเลยยกยอดไปใช้ขณะมันก็กลายเป็นกรรมชนิดที่เรียกว่าอุปปัชชเวทนากรรมเราจะเห็นว่ามันจะสอดคล้องกันหมดเลยจะเป็นกรรมประเภทหนึ่งเรียกว่าอุปปัชชะเวทนากรรมคือให้ผลในชาติต่อไปชาติหน้าทีนี้บงทีมันมันมันเหลือเฟือมากกว่านั้นเยอะ เดีย๋ยวมันก็ยกจอดไปชาติ ต, ต่อไปอีกเรียกอุปปัชชะเวทนีกรรมการให้ผลในภพในชาติที่สืบสๆ่ต่อกันไปนั่นก็คือบุญที่นำความสุขมาให้ซึ่งจะทำอะไรก็ได้นะฮะไม่จำเป็นจะต้องไปนเน้นที่ทานเรามีความสามารถจะทำทานเราก็ทำเพราะคนนี้มันมันมั น, ม, นมันต่างกันนะฮนะ คืเราจะเห็นว่าเคยเล่าเรื่องเรื่องเรื่องนางสุมณเทวีที่กราบทูลถามเราคุณพเจ้าเรื่องว่าพระสองค์คนต้องคนเพื่อนสองคนทําบุญมาด้วยการทําบุญมาตลอดสายเลยแต่ว่าคนหนึ่งนั้นไม่เคยให้ทานเลยอย่างอื่นทําด้วยการหมดคนหนึ่งนั้นทําอย่างอื่นด้วยจะให้ทานด้วยมันต่างกันตรงไหน พระเจ้าบอกมันต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นเทวดาเนี่ยถ้าเป็นเทวดาเนี่ยคนที่ให้ทา น, นจะมีบริวารมากถ้าเป็นมนุษย์อ่ะถ้าเป็นมนุษย์ก็มีสมบัติมากมีบริวารมากถ้าเป็นพระอ่ะเป็นพระก็คนที่เคยให้ทานมาก็สมบูรณ์ด้วยเจตุ ป, ปัจจัยนะฮะญาติโยมขอรบนับถือขึ้นเยอ ะ, อะเหมือนหลวงพ่อคูนี่ขาว่าพรมน้ํามนต์ด้วยรถฉีดน้ําแล้ว ตลกกันใหญ่เลยมีคนมาเล่าให้ฟังเมื่อวานหลวงพ่อคูณคนไปเป็นหมื่นๆพรมน้ำหมดไม่ไหวต้องเอารถดับเพลิงมาฉีดขึ้นฟ้าเลยหลวกหลวงศิษย์ก็ช่วยฉีดลูกพ่อก็จับโคนก็แพรกันไปฉีดยังยังวิ่งเข้าไปหากันอีกแล้วแย่งกันอีกขนาดรถดับเพลิงแล้วนะโอ้โหน่าดูเลย แล้ว ไ, ไม่ต้องทําอะไรเราจะเห็นว่ า, อ ย, า, อ, ยาอย่างพระอาจารย์ชาเนี่ยถ้าไม่ทําอะไรเลยไม่เคยหา ต, ต่างเมันมาเองเลยถนนเดชังราชที่วะก็เหมือนกันไม่เคยหาต่าง Biology. มันมาเองนี่คุณพวกพวกบุญก็ทําฐานไว้แล้วถ้ามันไม่ต่างกันที่ ท, ที่ที่ตรงหมดกิเลสด้วยกันเข่าใจไมพอเป็นพระหานแล้วต่างไม่ต่างกันที่หมดกิเลสด้วยด้วยกันในเราจะเห็นว่าอย่างพระบางองค์อย่างพระศรีวลีเนี่ยท่านท่านรวยเยอะเลย ไปไหนพระบินตบบาทไม่ได้ตามหลังหลวงพ่อพักเดียเลยโกนแห่กันมาทาบุญทำบาปไอ้นี่นีนี่คือคือเรื่องที่เรียกว่าเวลาท่านพระเจ้าสอนคือสอนหมดเพราะเราเรายังหมุนวนในสังสารวัฏเราเราต้องการทั้งหมดเลยเราต้องการทั้งหมดเลยการให้ข้าวเป็นให้น้ำการการให้ข้าวเป็นการให้กําลังการให้ผ้าให้ผิวพรรณให้ยาให้ความสุขให้พระที่ให้แสงสว่างนะให้ที่อยู่อาศัยชื่อว่าให้ทุกอย่างให้ทําชื่ว่าชนะกันให้ทั้งหมดก็ก็ก็เอา เราจะเห็นว่าแต่ละอย่างนั้นมันมันลดกิเลสมากขึ้นเอาจริงๆเนี่ยฮะกิเลสเราลดได้มากขึ้นจะทำให้ผลบุญที่อำนวยผลเป็นความเป็นสมบัติที่เรียกว่าเปรว่วถึงพร้อมก็มากขึ้นกันวันคนแก่สองคนนี้พูะเจ้าก็สอนในรูปของสีลแต่ว่าท่านก็พยายามปฏิบัติจ ร, จริงจังนะแล้วก็ละโลกหลุดหลได้ไปเยอะ ตายไปก็บังเกิดในสุกติมีพุทธเจ้าเล่าเองนะฮะเพราะว่าคนแก่ร้อยยีิปีไม่กี่วันแน่นะอีกวันเสร็จแล้วรักษาศีลพักเดียวก็ตายแล้วแต่ว่าตายไปอย่างเป็นคนที่มีศีลก็ทำให้ไปบังเกิดในสุกติสมัครประสูติการบรรยายประสูติในวันนี้ก็ขอยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยตั่วการทุกท่านตืริ